การตรัสรู้ที่ภาคในศาสนาเนี่ยเราเอาเราที่ควรฟังเราควรจะฟังข้อเรียกคําของผู้ใดหรือข้อเรียกคําของผู้ใดควรเป็นข้อเรียกคําที่ควรฟังจริงใน คำของพระพุทธมีพระองค์จําเลยเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าการปฏิบัติปฏิบัติ วิชาสั่งจัดไว้เพื่อให้เข้าใจที่พระประสงค์ของ และจักไม่สันท่านว่าเป็นสิ่งที่ตนศึกษาเล่าเรียนอยากไปสนใจอยาก สำคัญว่าเป็นสิ่งที่เราควรศึกษาร่วมๆจากการฟังพุทธวจนะคือคือคําพูดของท่าน <c oughs> ไม่ใช่สัจธรรมที่แท้จริงมีข้อบกพร่องนะส่วนคําพูดของพระชาติเนี่ยไม่มีข้อผิดแม้แต่ประโยคเดียวพุทธเจ้าบอกว่าถามสาวกว่า<อ> อีกความเป็นสัมมาสัมมุททะเนี่ยนะมันต่างอย่างยังไงพระสาวกก็ทูลมหาภิกษุเจ้าตอบภิกษุเจ้าก็บอกว่าตัวสัมมาสัมมุททะเนี่ยนะ ถ้าเป็นมรรคโกวิทโตคือผู้ฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้ง ผู้จ้างบอกว่าทําสรองของท่านบริสุทธิ์โดยมูซิ่งใช่มั้ยๆๆๆน้อยๆได้บ้าง ไม่รู้ว่าอะไรคือศีลธรรมดุลเอกมองไว้ก็เลยคมไว้ทั้งหมดนะไม่งั้นเจ้าถ่านขึ้นหน้าเนี่ยพระพุทธเจ้าปลิดพาแล้วนะพระธรรมวินัยแล้วก็เลยพยายามคมไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่ ให้คงไว้สามารถศึกษาในสิ่งที่ท่านจับไว้นะดิฉันขออํานวยว่าบอกว่าพวกเรามีพระศาสดารูปรับมาแล้วศาสนาของมนุษย์ <c oughs> จักเป็นศาสดาของพระเกียรติ